แนะนำสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หนังสือเล่มไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีทําเลขิดพวกเราผู้อยู่บิ่งใน้างไหนอ่านแล้วมีประโยชน์เราก็ควรจะแนะนำให้พวกน้องๆที่เขามาใหม่พอน้องๆเขามาใหม่เนี่ยเหมือนกับเดินเข้าป่าตรงพงไพยไปทางไหนจึงจะถูกต้องแต่เราเป็นรุ่นพี่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 กล้าสามารถทุกวิชาอาชีพไม่ใช่บางเสียงบางอย่างเราก็โง่ไม่ใช่โง่ธรรมราโงา่แสนโง่อีกต่างหากเราก็ต้องดูเขาวิธีการทําทำเขาทําอย่างไรอย่างเช่พวกเราทําอาหารอย่างเนี้ยแต่ทั้งที่เรากินทุกวันแต่วิธีการทำเขาทํำยังไงเราไม่รู้มิแต่เราเห็นอยู่ในจาน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 ทางลงเทงนี้ก็ไม่ชันอีกมีทางอีกมันก็ต้องรู้จักวิธีปัวฝูงนั้นก็ตลอดปลอดภัยเพราะจ่าฝูงที่มีความรอบคอบจ่าฝูงที่ฉลาดถ้าจ่าฝูงโง่แล้วก็นั่นแหละไปที่ไหนก็เหมือนเก่าล้าน้ำนะพอกระโดดขึ้นไปไหวไปไ ป, ไปถือทางน้นทางฟังขึ้นก็ขึ้นไปได้เลย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 เพราเราได้เห็นแนวแถวของพ่อแม่กุญจารพาดาเนินมาเนี่แหละหลวงพ่อเองก็ในลักษณะอย่างนั้นจึงมาแนะนำสั่งสอนพระลูกพระหลานอล้วก็พร้อมการก็ให้ดูอ่านทำมริก ข, ของท่านท่านเขียนไว้แนวทางของท่านแต่ใช่ว่าเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านจริงๆพูดอย่างท่านทาอย่างท่านจริงๆถ้าทำได้ก็ดี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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่มันก็ไม่เต็มโลกน้ำทะเลยังมีเท่าไหร่แต่มันมีแต่ล้อยล้อน้อยลงไปท่านเองนั่แหละความชั่วทำทำลงไปแล้วนรกก็ไม่เต็มสัตว์ที่ระฉานก็ไม่เต็มเปรตก็ไม่เต็มสวรรค์ก็เหมือนกันถ้าเขาเราจ้างคุณงามความดีสวรรค์ก็ไม่เต็มแต่ละชั้นมีมากมายมนุษย์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 เออมันเยี่ยบลวกไปอีกแบบหนึง่งท่านว่าพวกนี้ตายไปแลป้วไปเกิดโลกันตะนรลกอ่โลกันตะนรลกไม่ใช่เอเวจีนะเอ่ทา่านทว่าทำความชั่วเสียหายอย่างพเทวทัตุอย่าตกในเอเวจีมหานรกมีไฟไหม้อ่อจากนั้นก็พ้นออกจากเอเวจีแต่โลกันตะนรลกเนี่ยพอไปเข้าไปแล้วไม่มีเลยไม่มี กำหนดกฎเกณฑ์แล้วว่าจะพ้นคือมาเมื่ อ, อไหรไม่มีกําหนดเออยู่ในอที่มืดมิดอยู่ในที่คุมขังอันมืดมิดเพราะมันมืนมดมิดปิดตาเลยว่ามมิดชา่าทิฐิคำเลยหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบว่าอพวกมิดชาทิถิเนี่ยถ้าไปเกิดเหมือนกับไปเกิด